สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิดพระเยซูตอนที่สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่หกพระธรรมหลักก็ยังอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้านะครับขณะที่พระเยซูได้อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค์เองพระองค์กําลังบอกว่าพระองค์ถวายเกียรติแด่พระบิดาและพระบิดาก็ทรงคืนหรือทรงให้เกียรติกับคืนสู่พระองค์ และเกียดนี้คือการที่โปรงจะได้รับเมื่อโปร่งทนทุกข์และสิ้นผะชนบนแม่เงเขนถึง ค, ครับและผมก็ได้จบถึงเรื่องของซินเนจี้ที่ในพระคัมทีโรมอทที่แปดข้อยี่สิบแปดได้กล่าวว่า <c oughs> พระเจ้าจได้ทรงช่วยคนที่รักโรรองให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งโปรงกำลังถักทอโปรงกำลังประสานพลังในทุกสิ่งก็คือความทุกข์ยากลาบากความ ซึ่งจฉมินดีอะไรก็ตามทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราหากว่าเรามีความรักในพระองค์เรามีความเชื่อและเชื่อฟังพระองค์เราเดาเนินอยู่ในในน้ํมัทไทยของพระองค์พระองค์ก็จะถักทอและภสานให้สิ่งเหล่า น, นั้นกลายเป็นพลังที่ดีในที่สุดพี่น้องครับให้เราอธิษฐานนะครับว่าพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าได้ทรงถักทอ และขอพระองค์ทรงประทานจิตใจที่เชื่อฟังจิตใจที่จิถวายชีวิตให้กับพระองค์เพื่อที่ชีวิตของพวกเรานั้นจะอยู่ในน้ำมาัทยของพระเจ้าอยู่ในแผนการของพระองค์อย่างเต็มที่และเอาปฏิเสธตัวเองรับการเขนของตนแบกตามพระองค์ไปนะครับนี่คือชีวิตที่จะติดตามพระเยซูและนี่คือสแตนดาร์ดหรือเขาเรียกว่าทัชโตนทัชโตนก็คือมาตรฐานของการดาเนินชีวิตคริสเตียน เราทราบนะครับว่าพระเยซูได้เสด็จมาในโลกนี้ทรงเป็นพระวาทะและพระวาทะนั้นได้สําแดงแก่โลกในขณะเดียวกันครับขณะที่สําแดงแก่โลกก็นำมาถึงการทนทุกข์ทรมานของพระเยซูหรือการซัฟข์ทริาของพระเยซูในยอห์นบทที่17ข้อที่10เราสาวกนั้นเขารู้ครับและเขาได้ถวายเกียรติกับพระเจ้าด้วยความ ยินยอมที่จะทนทุกความเต็มใจที่จะทนทุกเพื่อพระเยซูเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราที่จะมีความตั้งใจเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าหลายคนอาจจะยังไม่มั่นใจในเวลานี้ว่าเราจะทนได้หรือเปล่าแต่พี่น้องครับพ ร, พระเจ้าในสองโครินธ์บทที่สิบสองที่ผมอยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ในข้อที่แปดถึงข้อที่สิบครับ เป็นเรื่องราวหนามใหญ่ที่อยู่ในชีวิตของอัครทูตเปาลโลโปรดฟังพระชนะของพระเจ้า2โคริน12ข้อ8ถึงข้อที่10เรื่องหนามใหญ่นั้นข้าพเจ้าวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสามครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพระเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็จะมีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อริษเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการประทุษร้ายต่างๆในความทุกข์ยากลาบากในการถูกก่มเหงในความอับจนเพราะข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นอาเมนเมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อไหร่ พระเจ้าก็จะแข็งแรงมากเหมืนนั้นนี่คือพระเจะนะของพระเจ้าหลายหายครั้งน้ำหรืออะไรหลายอย่างในชีวิตของเราที่เราไม่พึงพอใจที่เราไม่ไม่มีความสุขกับมันที่เราจะต้องทนมันที่เรามีความเครียดเพราะมันพระเจ้าไม่ได้เอาออกไปจากชีวิตของเราแต่พระเจ้าบอกว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็จะมีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั้นที่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งการที่การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั้นแต่ด้วยเห็นนี้เองนะครับท่านอัครลูกเปาโลได้เขียนต่อว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อริษเดชของพระคิดจะได้อยู่ในข้าพเจ้าพี่น้องครับ อคาดูปารูมีมิทัศนคติแบบนี้กับความทุกข์คือภูมิใจภูมิใจในความอ่อนแอภูมิใจในความทุกข์ที่รับแบกเพื่อพระเยซูเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้เห็นพระคุณมากขึ้นเพื่อเขาจะได้เห็นฤทธเดชของพระเยซูมากขึ้นเพื่อเขาจะแข็งแรงมากขึ้นในที่สุดพี่น้องครับน่าคิดนะครับว่าเราพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานชีวิตแบบนี้หรือเปล่าเราพร้อมที่จะรับ ความลำบากสักเล็กน้อยเพื่อพระเยซูไหมเราพร้อมที่จะกลับมาถึงโรมบทที่12ข้อ1และข้อ2ก็คือถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตให้กับพระเจ้าไหมอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่าคิดมากแล่เป็นเรื่องที่น่าใขร้เขวมากครับพี่น้องครับหลายหลายท่านผมเชื่อว่ามีจิตใจปรารถนา ที่อยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะถวายตัวอยากจะมีคอมมิตเน้นปรารณนาตัวบางสิ่งบางอย่างกับพระเจ้าแต่ยังกลัวอยู่ครับถามว่ากลัวอะไรกลัวความลำบากกลัวความทุกข์ยากลาบากนะครับกลัวสิ่งต่างที่เราเคยเห็นว่ามันเกิดขึ้นกับคนบางคนนะครับที่เราเคย รับรู้เรื่องราวต่างๆของเขามาตอนเด็กๆนะครับผมได้พบกับผู้รับใช้หลายๆท่านและชีวิตของท่านเหล่านั้นทำให้ผมไม่อยากรับใช้พระเจ้าเพราะว่าพวกท่านเหล่านั้นลำบากครับเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความอุปสรรคเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความยากจน เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลูกๆของพี่น้องเหล่านั้นผู้รับใช้เหล่านั้นไม่อยากเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนคุณพอ่อโดยเห็นนี้เองครับหลายคนกลัวผมเองก็กลัวก่อนที่จะออกมารับใช้พระเจ้าแต่ผมอยากจะหนุนใจครับว่าพระเจ้ามีพระคุณของพระองค์เพียงพอเสมอก่อนจะจากการวนันนี้ผมอยากจะฝากคลิ ป, ปีบทที่หนึ่งข้อที่สิบเก้า ข้อที่สิบเก้าจนถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดครับเข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยดีต่อไปด้วยเพราะเข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคําอธิษฐานของท่านและการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระเยซูจะเป็นเหตุให้เข้าไเจ้าได้รับการช่วยกู้เพราะว่าเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาและความหวังว่าเข้าไปเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใดบัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตายเพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กําไรพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กําไรแต่ท่านไหนครูเปาโลได้กล่าวต่อไปว่าถ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทํางานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าบอกไม่ได้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดีข้าพเจ้าลังเล ใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแน่นอนครับอักขันตุเปาโลมีความปรารถนาที่จากไปอยู่พระคริสต์เพราะว่าอะไรครับเพราะไม่มีความเจ็บปวดน้ําก็จะต้องถูกเอาออกไปและและหลายสิงหลายอย่างที่ท่านตนทุกข์อยู่ท่านรับอยู่ก็จะถูกปลดออกไปซึ่งประเสริฐกว่าและที่สําคัญที่สุดก็คือได้อยู่กับพระเยซูซึ่งท่านรักและรักท่าน ใน้อยี่สี่อักซุบเปาโลกล่าวต่อไปว่าแต่การที่พระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ก็จําเป็นมากสําหรับพวกท่านหมายความว่าการเปาโลนั้นมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นครับไม่ได้มีไว้สําตัวเองถ้าอยากจะมีความสุขกับตัวเองเลือกที่จะไปอยู่กับพระเยซูมากกว่าแต่ที่ท่านเลือกนะครับหรือโดยะคุณของพระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่ในในโลกนี้ก็เพื่อรับใช้คนอื่นมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นครับ แล้เมื่อข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้แล้วท่านกล่าวต่อขอ้าพเจ้าก็ยังทราบว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่คืออยู่กับท่านเพื่อให้ท่านจำเลิญขึ้นและชื่นชมยินดีในความเชื่อพี่น้องครับเราอยู่ให้คนอื่นเจริญเราอยู่ให้คนอื่นได้ใกล้ชิดกับพระเยซูเราอยู่เพื่อที่จะเพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธาเพื่อที่จะสอนเพื่อที่จะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างกับคนอื่นนี่การอยู่ที่คุ้มค่าครับเ ป, เป็นการอยู่ที่ถวายเกียรติกับพระเยซู เป็นการอยู่ในเชิงปรวนาตัวเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าถว า, ายตัวเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับที่เราจะมี unconditional surrender ซึ่งเป็นศัพ์คำสุดท้ายที่ผมผมอยากจะฝากไว้ในตอนนี้คำว่า unconditional แปลว่าไร้เงื่อนไข surrender คือการยอมจำนนพี่น้องครับชีวิตของเราจะต้องยอมจำนนอย่างไร้เงื่อนไขเพื่อตอบสนองกับความรักอย่าง u n conditional love ก็คือความรักที่ไม่มีเมื่อนเงื่อนไขใดๆเลยของพระเยซูที่รักเราแม้พรองค์จะตายบนแมงเเขนนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เราจะเชื่อพระองค์เรามีความศรัทธาในพระองค์แล้วจะไว้วางใจและพึ่งพาพระองค์อาเมน